ของตนที่เคยนับหมุนอยู่ตั้งแต่ข้าเป็นคารวาดด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้เป็นของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจของเราการดัดแปลงสิ่ใดไม่เหมือนการดัดแปลงมนุษย์คือตัวของเราแต่ละรายละลายล ดความถูกต้องดีงามคืออัตธรรมนี้เลยเพราะคุณค่าของมนุษย์ซึ่งจะดัดแปลงให้เต็มภูมิหรือพอดูได้สมผุมิมนุษย์นั้นสูงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต ล, ลอดสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีวิญญาณเขาก็ดัดแปลงเอามาใช้เป็นผลเป็นประโยชน์เช่นปลูกบ้านปลูกเพือนทำภาชนะ เครื่องใช้ไม่สอยต่างๆไม่มีประมาณเกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความต้องการที่เห็นว่าดีนอกจากนั้นยังต้องเกี่ยวกับช่างผู้มีความฉลาดในงานนั้นๆอีกด้วยมาทำสิ ทั้งหลายที่ใช้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่สิ่งที่กล่าวมานั้นทั้งมวลตลอดถึงสัตว์ดิบๆหรือสัตว์ประเภทเดรีโต่างคุณค่าไม่ได้มีมากเหมือนมนุษย์เมื่อดัดแปลงดีแล้วคุณค่าขมของมนุษย์นั้นเยี่ยมกว่า คุณค่าของสิ่งใดที่ดัดแปลงแล้วเช่นเดียวกันและหลักวิชาธรรมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้มีคุณค่าสมภูมิของตนว่าเป็นมนุษย์และให้มีคุณค่าเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาที่ว่าดีงามด้วยสินได้ทำนี้ขึ้นไปอีกนะ ไม่มีในที่ใดไม่มีผู้ใดจะสามารถแนะนำหลักวิชาอันนี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกต่อจากนั้นมาก็มีพระสาวกที่ได้สดับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติ จนเป็นเกิดผลเป็นที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของมนุษย์เต็มภูมิของสาวกที่ได้รับการพร่มสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วมาชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนให้ได้เข้า อ, อกเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วว่ากว้างขวางออกไป แต่เริ่มแรกขึ้งหลักวิชานี้ออกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคนนี้ไม่มีผู้ใดาสามารถค้นพบวิธีการค้นก็ไม่รู้และไม่สนใจที่จะค้นด้วยแต่พระพุทธเจ้าของเราแต่ทรง ค้นเต็มพระสติกำลังความสามารถจนกลายเป็นปราดประเทือนโลกทั้งสามมาแต่ละองค์ละองค์เป็นเวลานานนับกับนับกันไม่ได้แล้วเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราทีปริพาน์ไปก็สองพันห้าร้อยกว่าปีนี้นี่คือจอมศาสดาผู้มีหลักวิชาธรรมชั้นเอกมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลาย พวกเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับมาชำรลสัตส์สางสิ่งไม่ดีอยู่ภายในกายวาจาใจของตนให้จางลงไปหายลงไปความดีโดยลำดับไปปรากุตัวแทนสิ่งไม่ดีทั้งหลายขึ้นที่กายวาจาใจด้วยการดัดแปลง โดยความเต็มอกเต็มใจของแต่ละหลายลหลายเพราะฉะนั้นการบวชจึงไม่ใช่เป็นของง่ายก่อนที่จะได้บวชก็อยากไม่ได้เหมือนบว ด, ด้วยก่อนจะบวชก็ต้องฝึกซ้อมและเป็นที่ลงใจของผู้บวชก่อนเป็นความสมัครใจไม่มีสิ่งใดกเกาะเกี่ยว นั่นเป็นอันดับแรกจากนั้นมาก็เกี่ยวกับเร่วงอุปชาอาจารย์ในสถานที่ที่ตนเกไปบวชเกี่ยวกพระสงฆ์ที่มานั่งหัตถบัตไปชุมพร้อมความสามารถขี่กันเป็นที่ลงรอยกันได้ถึงจะบวชได้เวลาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ไม่ฝ่าฝื้นล่วงเกินแม้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คือองค์ศาสดานั่นเองมีความเคารพทั้งสิบทุกๆสิกขาบทอันเป็นาศาสดาคงแทงพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อหลักธรรมหลักวินัยขอนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามต่อองศาสดา ผู้เคารพพระศาสดาแม้ปริพาน์ไปแล้วก็สักแต่ว่าพระศิระร่างกายอันเป็นเหมือนกับโลกทั่วไปเท่านั้นส่วนความเป็นศาสดาแท้นั้นได้แก่วิสุทธิจิตวิสุทธิคุณวิสุทธิธรรมนี่คือองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ร่วงรับดับขันไปด้วย สิ่งใดๆมาทำลายได้เลยเป็นศาสดาเช่นหลังนี่คือศาสดราในหลักธรรมชาติเทาว่าที่ทรงสั่งสอนไว้จริงเป็นตองแทนศาสดาผู้เคารพคือประพฤติปฏิบัติตามหลักทมหลักวินยัยซีคํามบทน้อยใหญ่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพประพุทธทยเจ้าในขณะเดียวกัน ผลอันเกิดขึ้นจากการเคารพด้วยการปฏิบัติตามของตอนนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติกับผู้เคารพพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสันบางส่วนบางส่วนเอาอัดเอารมเอาคุณงามความดีเอาความสูกความเจริญใดๆแม้แต่น้อยจากผู้ปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์นั้นเลยพากันเข้าใจอย่างนี้การบวชบวชเข้ามาแล้วก็เราจะทาเป็นแบบครวา หรือนิสัยของเราที่เคยทำมานั้นไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยขัดแต่ความต่อความถูกต้องดีงามอันเป็นทางเดินเพื่อความราบรื่นเพื่อความสุขความเจริญของตนนี่จึงชื่อว่าเป็นการลำบากประการหนึ่งต้องฝืนอยู่เสมอฝืนอะไรฝืนสิ่งที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอำนาจวาสนา ครอบงำหัวใจเราอยู่ได้แก่กิเลสในศัพท์ของธรรม ะ, รรมะท่านว่ากิเลสคือเครื่องเจ้ามองมืดตื่อยังผลให้เกิดทุกข์แกผ่ผู้เป็นไปตามอำนาจของมันที่นี่เราต้องการความสุขเราจรึงต้องดัดแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจนั้นอย่างน้อยก็พอให้อยู่เย็นเป็นจุกได้ เฉพาะอย่างยิ่งนัก บ, บวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยต้องให้ได้แบบคงเส้นคงวาไม่มีที่แจ้งที่รับมีความเคารพในศีลคาบทนั้นอยู่เสมอโดยการประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ยากต้องฝืนเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าศาสนา ส, สอนคนและผู้ปฏิบัติตาม ดีไม่ได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำมนุษย์ให้ดีที่จะทำตัวของเราให้ดีศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้เรียกว่าสวขาโตรพระกวตาธรรมโหทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ชอบแล้วนำว่าทำเป็นคำรวมรวมทั้งพวินัยทั้งคำรวมแล้วเรียกว่าธรรมหรือศาสนาธรรมเป็นคารวมรวมไว้ ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมพระธรรมมีปีดกทุท t a n t r ปีดกพระอริธรรมปีดก<ม>ก็รวมลงด้วยกันกับพระวินัยปีดก<ม>เรียกว่าศาสนาธรรมนี่เรามาฝืนสิ่งไม่ดีที่เคยมักหมจมอยู่ภายในใจของเรา เราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้หาความดีไม่ได้ต้องอดต้องทนข้าวเราเคยรับทานวันหนึ่งวันหนึ่งกี่มื้อหาประมาณไม่ได้คารวาดเป็นอย่างนั้นจิบจับจับนอกจับรับทานเป็นมือ้อเป็นมื้อแล้วยังมีจิบจับจับอีกมื้อปากหาเวลาว่างไม่ได้ คว้านั้นควานี้ท้องก็เล็กเ ล, กเลกนิดเดียวแต่ความอยากความโลภภายในจิตใจความทะเยอทะยานภายในจิตใจมีมากจึ ง, จงต้องทาให้อยู่เป็นหาความสงบสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราที่เคยเป็นคารวาสมาไม่ว่าใครๆย่อมเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเป็นไปตามความอยากความต้องการ อย่างนั้นก็เป็นไปตามความทะเยอทะยานไม่เพียงแต่เป็นไปด้วยความจำเป็นคือธาตุขันต้องการเท่านั้นยังเป็นไปด้วยความทะเยอทะยานไปอีกอกลายเป็นเรื่องของพิเศษไปอีกมากมายการมาบวชเราฉั น, ฉ, นฉันมื้อดีเดียวเคยฉันสองมือ้อสามมื้อดีจิ๊บจั บ, จบอาหารลงอาหารว่างไม่มีเวลาว่างในปากเลยมันว่างแต่อาหารแต่ปากท้องเราไม่ว่าง เป็นประจําอยู่นั้นตลอดเวลาทีานี้เรามางนเลี้ยชานเพียงมื้อเดียวนี่ก็ย่อมจะเป็นการขัดข้องเป็นการฝืนเป็นธรรมดาฝืนก็ฝืนเพราะเราเคยทานมากินมากี่วันกี่มือ้อกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่คราวนับไม่ถ้วนผลประโยชน์ถ้าจะได้เพราะการกินเพียงเท่านั้นคนเราก็คงวิเศษวิโสไป ทั่วหน้ากันตลอดถึงสัตว์ดิบฐานซึ่งหาเวลามเวลาในการกินไม่ได้มีก็เพียงเท่านั้นเองกินเข้าไปมากน้อยก็ถ่ายเทไปหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือค้างว่าเป็นความดีอยู่เลย <c oughs> แต่การอดนี่คือความดีการอดให้กินเป็นกดเป็นเกณฑ์เป็นเวลาเวลาหิวก็ทราบว่าหิวไม่ถึงกับจะทําให้ล้มให้ตาย ถึงเวลาแล้วก็ได้ฉั้นเมื่อฝืนไปนานอดทนไปหลายวันก็เคยขินกันเข้าไปเคยขินกันเข้าไปควา ม, มหิวโหยเหล่านี้เมื่อไม่ได้ตามความต้องการแล้วมันก็ระงับดับตัวของมันไปควา ม, มหิวโหยก็มีความอยากความต้องการภายในจิตใจเองก็ไม่มี ฉันเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเพนไม่ได้คิดถึงคาอาหารคำอาหารเพนอาหารว่างที่ไหนาหารเงียบไปเลยไม่มีกงังวลนี่เพราะความฝึกหัดดัดแปลงตนได้ย่อมเป็นผู้หายกางังวลเห็นได้อย่างชัดๆก็เป็นกิเลสประเภทอันหนึ่งเหมือนกันที่รับทานตามต้องการรับทานตามความอยากความทยุทยานแต่มาฝึกหัดดัดแปลงสียใหม่ให้ รับทานเท่าที่จําเป็นต่อธาตุขันและหมาะถูกต้องเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นวินัยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามให้ฉันธ์มิอาหาราหลักธรรมก็มัตตัญญาตาสตาสาทุหรือโพชเนมัตตัญญาตาให้รู้จักประมาณในการฉันแม้จะฉันอยู่ในการเวลาในการที่ควรก็ยังต้องรู้จักเวล่ำเวลารู้จักความเพาะรู้จัก ความพอดีกับาธาตุขันเหมาะสมกับการประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตอนเช้าเป็นเวลาฉันได้แล้วก็จะฉันลงไปจนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาย่างนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวก็ทราบแล้วว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตน การทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการฝึกฝนจึงเรียกว่าการอบรมมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้ย่อมเป็นคนดีเป็นพระดีนม้ะจะสึกออกไปคารวา่ะเพราะทนยิ่งใหญ่ปัญหาชุนลาบไม่ไหวสิ่งที่อยู่ในมิตรใสของเราควรจะทําตนให้เป็นคนดีเหมือนพลเ ม, มืองเมืองดีทั้งหลายเราก็ทําได้ด้วยความเคยเพก่อเพื่อปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาแล้ว ออคืว่าเป็นพุทธบริศัพท์หรือเป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่ตเตลิดเปิดเปิงแบบแนวไปเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะยีเดชถุนลากไปแต่เนี่ยการอบรมจิตใจใจมีความคืบความคอนองอยู่ตลอดเวลาไม่มียาบทใดที่จิตจะพักสงบตัวได้นอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้น ชาติฐานก็ละนับตัวลงไปจิตใจก็ได้พักผ่อนกิเลสก็ไม่ออกเพลินพลาดในเวลานั้นนั่นแหละเป็นเวลาที่มนุษย์เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวันณนะฐานะมีจนความรู้ความฉลาดมากน้อยเกียงไหลมีความสุขเสมอกันในขณะที่หลับสนิทเพราะสิ่งรบกวนไม่แสดงตัวกิเลสความโลภ ก, ก็ไม่แสดงเวลานั้น เหมือนมันมีความโลภความโกรธก็ไม่มีความห ล, ลงก็ไม่มีถ้าลงได้หลับสนิทแล้วนอกจากไม่สนิทนั้นอานละเมอเพ้อฝันไปตามอุปทานสัญญาความสําคัญนั่หมายในดีส่วนมากในชั่วพี่มันเคยสังจมอยูายในจิตใจหลับไปแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปตามสัญญาอารมณ์อดีตทั้งตนที่สังจมภายในนี้และแสดงตัวออกมาในขณะหลับอีกได้ถ้าหลับสนิทแล้วเป็นเหมือนกัน ความโลภ ก, ก็ไม่มีเหมือนไม่เคยโลภมาแต่กลับไหนกันใดเลยความโกรธ ก, ก็ไม่มีความหลงอะไรๆก็ไม่มีไม่แสดงตัวกิเลสทั้งสามประเภทนี้พักตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจหลับทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเพราะเป็นความสงบสุขไม่มีอะไรกวนใจ ควรธาตควรขันในเวลาเช่นนั้นจะเรียกว่าพวกเราได้ชมนิพพานทั้งทั้งเป็นทั้งทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็พอจะพูดได้เทียบได้วนี่ผู้ได้ชมนิพพานทั้งทั้งที่มีกิเลสอยู่ได้ชมในขณะที่หลับสนิทเพราะเวลานั้นไม่มีสิ่งใดกวนใจเลยความรักความชังก็มีความโกรธความเกลียดก็มีสมบัติบริวาร ข้อของเงินทองสมมุติต่างๆกว้างแคบหยาบลึกหออยาบละเอียดอะไรไม่มีกวนสงบอย่างแนวเลยเนี่ยเราจะเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสได้เสวยนิพพานทั้งๆที่มีกิเลสก็พอจะพูดได้ในขณะที่หลับสนิท เพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นนะแต่จะพูดว่าเป็นนิพพานจริงๆนั้นไม่ได้พอจะเทียบได้เพราะนิพพานจริงๆนั้นไม่มีกิเลสสั <c oughs> งจมอยู่นิดนึงก็ไม่มีเป็นตะกรนก็ไม่มีอันนี้มีเป็นที่เรียกว่าสงบตัวกิเลสสงบไม่ทํางานเราก็มีความสุขขนาดนี้เราพิจารณาที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อ ความดุพ้นจากกิเลสเป็นเรื่องเป็นสิ่งก่อทุกข์ทั้งหลายให้เราได้รับความทุกข์ความทารุณเพียงที่เล็ดสงบลงไปขณะที่หลับตอนนั้นเราก็มีความสุขสะหับไปตั้งกับตั้งกันพอใจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาห่วงใยถึงการสถานที่สมบัติเงินทองผัวเมียลูกเต่าล้านเลนอะไรๆไม่มีในเวลานั้นแม้แต่ธาตุขันที่ของเองร่างกายของเองก็หมดค ว, มหวความห่วงความห่วง ทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดใจเลยเวลาที่หลับสนิทนั้นนี่ที่นี่กิเลสเพียงกิเลสสงบตัวลงไปขนาดนั้นมีความสุขขนาดไห น, นความสุขทั้งโลกอันนี้ที่เราผ่านมาไม่มีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิทเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วไม่มีอะไรเสมอความสุขของเราแต่ละรายราที่ผ่านมา ยิ่งเอางกิเลธให้สิ้นซากไปเลยจากปิจายนั้นแล้วนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยพอที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเป็นตัวภผ่เป่นขณะพอตื่นขึ้นมาพับกิเลสก็ออกทํางานนี่ยุ่งตลอดไม่ว่าความโลภจะเข้าความโกรธจะเข้าความเปลียดจะเข้าความรักความชังจะเข้ากวนใจมันควรทั้งนั้นไม่ว่าเกลียดว่าโกรธว่ารักว่าชัาางเป็นเรื่อง ทำจิตใจให้กับเพื่อมขุนมัวไปต่างๆด้หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เหมือนกระพุบบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เช่น น, นั้นแหละหาความสงบมไม่ได้นการที่เรามาบวชเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจก็หมายถึงว่าจะชำระศาสาง ส, สิ่งที่ก่อปวนจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปทีเล็กแต่ น, น้อยพอให้จิตมีความสงบเย็นใจอย่างน้อยให้มีสมาธิคือความสงบใจ บังคับจิตใจของตนด้วยสติยากบ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาของการประกอบงานคือความเพียรทางด้านธรรมะเพื่อความสงมบของใจผูกกำหนดอนาปานาสติลมหายใจเขาก็ออกก็ให้พืงนทำความรู้ไว้กับลมของตนลมเข้าก็รู้อยู่ที่ลมสัมผัสมากๆเช่นปลายจมูกดั้งจมูกสัมผัส เข้าก็รู้ออกก็รู้รู้ยฉะนั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดแงใดจะพบจะเห็นจะเจอสิ่งใดในขณะตอ น, นาไม่ต้องไปคิดไปคาดอันเป็นการต้นเดาเขาย่าวความเพียงของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ล้มลายลายไปสติก็กลายเป็นของเหลวไหลไปเสีย ให้รู้อยู่กับลมด้วยสตินะ้นผูกันหนดบริกรรมทำบทตใดก็ให้รู้อยู่กับทำบทตนั้นสืบเนื่องกันเป็นลำดับเมื่อความรู้ได้สืบเนื่องกันเป็นลำดับอยู่แล้วจิตย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้รอดไปสู่อารมณ์ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภยัยที่เคยเผาะรมจิตใจมานานให้มาทำพิษภยัยขึ้นอกีกในขณนะที่มีสตินั้นจิตย่อมสงบตัวได้ ต้องฝืนบ้างไม่ฝืนไม่ได้กิเลสมันสำคัญดูมากทีเดียวงานอะไรจะยากยิ่งกว่างานแก้กิเลนักมากกว่าการงานแก้กิเลสไม่มีในโลกนี้งานนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดเา <c oughs> นั้นผู้ต้องการปราบสิ่งที่เป็นข้าสุกภายในจิตใจนี้ออกจากใจจำต้อง ฝืนจำต้องทนทุกข์หลักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเรื่อขีดฟางความภากเปลี่ยนของเราไม่ให้ดันเดินเป็นเม็ดเป็นหน่วยเอาให้กินให้จังต่อหน้าที่ของเราฝึกฝนรวบรวมจิตให้รับความสงบไปทำไมศาธนาธรรมอุบายวิธีการต้านกะระแสไมนได้แลวเราก็เห็นในสำหนักําลานอกจากนั้นยังมีครูเมีอาจารย์ ขี้แจงแนะนวทางให้โดยถูกต้องแน่แนย้ำอีกด้วยเราเพียงจะล้างมือเปิดทั้งนั้นทําไมจะเป็นไปไม่ได้หรือจะประกอาความภาคเพียงตามที่ท่านแนะนวให้ทุกยากลาบากเราอย่าไปคำนึงคำนวณของมันมันเป็นอุบายของกิเลสกระซิบกระซาให้ท่อถอยต่อความเพียรอันเป็นการบังคับมันเพราะความเพียรเป็นเครื่องผลผลานกิเลสนี้ เมื่อเราประกอบความภาพเพียรในรับความทุกข์ความลำบากบ้างแม้แต่ยังไม่ประกอบมันก็ขี้เกียจไปก่อนแล้วมันในขณะที่ประกอบความภาพเพียรมันก็คอยจะหาเหตุหาเรื่องให้ความเพียรล้มลายลายหาว่ามีความทุกข์ความลำบากในการสิกฝนทรมานในการเจ็บปวดสกุากายเพราะการนั่งนานยืนนานเดินนานบ้างอะบ้างมันหาเรื่องหาราวนตลอดเวลา เรื่องของกิเลสย่อมเป็นภัยต่อธรรมสมอที่ในขณะเดียวกันธรรมก็เป็นภัยต่อกิเลสจึงต้องต่อสู้กันในขันในกิจเราให้แหล่เราจรึงเป็นผู้ยอมรับในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรตั้งแต่เรายอมรับความทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสกัญหาประเภทต่างๆมันสร้างขึ้นมาเรายังยอมรับมันมหนึ่งนานไม่เห็นว่าพอแล้วพอแล้วกิเลสลิดไฟขึ้นมา เขาเรานี้เป็นเวลานานแล้วพอกันจะทีเราไม่เคยเห็นลงใจอย่างนั้นเพราะการพิจารณาแยกข่ายของเราเลยมีแต่ยอมรับดอมรับไม่คํานึงถึงวล่ร่เวลามาจากในแบบอาหารกองทุกเพราะอํานาจของกิเลสเป็นผู้สร้างเป็นมานี้ไปอีกนานเท่าไหร่และแบบมาแล้วนานเท่าไหร่มาบวกลบคุณหารกันบ้างพอหาทางออกได้เรายังไม่ยอมคิด เวลาจะมาประกอบความภาคเพลินเพื่อความสงมบเย็นใจอวิเลดมันกน ร, ระซิบกระซาบขึ้นมาแล้วทุกน้ําบากรกเย็นเฉิงใจอยู่ในบ้านในเรือนเราสะดวกสบายใช้สะดวกสบายอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เหมือนไฟในรถเทากันนั่นแต่และครอบครัวแต่และบุคคลไม่พูดเฉยเฉยสิ่งที่มันอดัดอัน้นตันใจอยู่ภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไม่แปลร มีอยู่แทบทุกหัวใจเราจะนํามาระบายกันได้เฉพาะสิ่งที่ควรระบายจึงไม่อายขายหน้าตัวเกินไปเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความจริงมันฝังอยู่ภายในจิตใจสมอยู่ภายในจิตใจนั้นมีด้วยกันทุกคนอะพูดไม่ได้นี่ให้คิดถึงความจริงให้มันถึงความจริงอย่างนั้นเลผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แหลมคมมาก ความจินมีที่ไหนจะย่างเข้าไปถึงดังที่กล่าวเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนโงค่คนฉลาดในฐานะใดๆชาติท่านว่าหนา้าใดมีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวนี้สิ่งที่ว่าสมงสมอยู่ภายในใจิตใจถ้าเป็นไฟก็มีแต่ฐานแดงโลด อ, อยู่ภายในจากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการําบายทุกเลยเพิ่มทุกเข้าไป มียูทุกหัวใจมีมันเคยเป็นมานานเท่าไหร่เราไม่ได้คำนึงคำนวณบวกลบคูณหารกันบ้างเหรือพอจะมีทางดับไฟของนี้มีความสงบเย็นลงไปโดยลำดับด้วยความภาคเกี่ยงของเราแต่เมื่อมันเกิดความทุกข์ความลำบากก็พึ่งจะเลิกถึงองศาสดาผู้เป็นแบบฉบับทุกด้านทั้งปฏิปทาเครื่องดาเนินก็เป็นแบบฉบับทั้งความรู้ความฉลาดสามารถ ปราบกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึก อ, อันใดหลวงก็พระองค์ก่็เป็นครูมาหมดแล้วเป็นแบบเป็นฉับเต็มภูมิของศาสด า, าแล้วเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาบวชในศา ส, าสนาะก็ควรจะเยี่ยงอย่างของท่านมาดําเนินเราพึปฏิบัติทุกก็เดินตามล่องรอยของพระพุทธเจ้าที่พาทุกขมาแล้วสาวกท่านพาเป็นทุกขมาแล้วเดินตามร่องลอยของท่านไปเพื่อ เป็นอัดเป็นธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชน์อันดีงามแก่นตนทําไมเราจะเดินไม่ได้เราจะทนไม่ได้รับความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นบุรุษเป็นพระองค์หนึ่งนตามภูมิของพระที่เป็นสาสขยบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทนได้ต้องอดได้ต้องฝืนได้พระพุทธเจ้าฝืนได้นี่ ชาวลกท้หายท่านฝืนได้ท่านมีธาตุขันธ์ในจิตใจเหมือนกันมีทุกเหมือนกันกับพวกเราท่านทำไมท่านฝืนได้พวกเราทำไมฝืนไม่ได้ไม่ตําช้าเร็วชามากไปเราเหลือพิจารณาอยู่ธาตุขันธ์ก็มีเหมือนกันต้องสู้ต้องอดต้องทนพยายามฝึกหัดฝึกหัดจนมีความชานิชำนาญฝึกหัดจนเป็นนิสัยทางด้านธรรมะ ย่าให้นเป็นด้านกิเลสเวลานี้เป็นนิสัยของกิเลสนํานิสัยของกิเลสออกแสดงไม่ว่าจะยืนจะเดินการนั่งจะนอนจะพูดจะคิดกิยาการทุกอย่างมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาเท่านั้นแต่เราเองไม่รู้เพราะกิเลสเหนือเราเราจะไปรู้เหมันได้อย่างไรต่อเมื่อได้เรียนอัดเรียนทำประพฤติปฏิบัติอัรทำขึ้นไปโดยลําดับลำดับสติปัญญามีภูมิขนาดไหนควรจะทราบควรจะรักควรจะ ทาบฟันกับกิเลสประเภทใดได้ต้องทำํำต้องรู้ต้องต้องทราบต้องต่อสู้กันต้องชาระได้ไปเป็นลําดับนี้เรื่องของกันไปเป็นลําดับลาดับสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะทราบเรื่องของกิเลส ต, ตั้งแต่คันดยาบหาบจนกระทั่งละเอียดแหลมคมที่สุด ข, ของกิเลสได้โดยลําดับลําดับและปราบให้เรียบราอไปจากจิตใจได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอํานาจแห่งความเพียน เป็นเคลื่อนหมูนสติปัญญามันเป็นผู้ฟาดฟันต่อกิเลสทั้งหลายกิริยาใดการใดที่เป็นฝ่ายทำรร ม, มักจะถูกค้านมักจะถูกถูกขัดขวางจากกิเลสอยู่เสมอให้ทราบอย่างนั้นถ้าเป็นฝ่ายที่ชอบนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นฝ่ายที่ขัดใจไม่อยากทํานั่นเป็นเรื่องของธรรม เพราะกิเลสขัดขวางเนื่องจากเวลานี้กิเลสมีกำลังมากจึงขัดขวางได้อย่างง่ายดายขัดขวางทำได้อย่างง่ายดายล้มละลายไปตามมันแทบทุกครั้งแม้ตะนั่งสมาธิภาวนาก็มาไม่นานใดหลังอะไรก็ถูกกิเลสทำลายจนได้ล้มงายไปเลยคำว่าล้มงายไม่ได้ไหมายถึงว่าล้มไปนอนสตินั้นแหละที่ตั้งอยู่กับความเพียรล้มงายไปเลยหาสติะตังไม่ได้ แล้วใจลมหายใจนี่จะไม่เรียกว่ากิเลสมันเก่งได้อย่างไงมันขัดมันขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกําลังมากในขณะที่เรายังไม่มีกําลังของธรรมมากเท่ามันยิ่ง้ไม่ทันมันแล้วถูกมันทําลายทุกครั้งให้ล้มเหลวไปหมนต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวให้หนักแน่นแม่นดำเข้าไปโดยลำดับวันนี้เคลื่อนคลาดยังไง อวันนี้แพ้อะไรกับกิเลสบ้างแล้ววันวันนี้จะเอาชนะกับกิเลสประเภทใดบ้างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความพินิจพิจารณาทดสอบระหว่างกิเลสตับทำซึ่งมีอยู่ในใจของเราวันนี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเป็นยังไง ร, ระหว่างทำกับกิเลสที่มีในใจดวงเหลียวนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบ ถ้าพิจารณาทดสอบกันอยู่อย่างนี้แล้วอย่างไรก็ต้องทันกันอวิริยะจะค่อยหลุดลอยไปเปน็นลําดับเพราะเราบกพร่องตงัวไหนเราฟริตเราซ้อมขึ้นโดยลาดับเนี่มฟิตขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยจนมีความเตรียงมใจทำนี้ทํา ง, งานแล้วก็ต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายก็วิเิยะตัวไหนโชว์หน้ามาไม่ได้นั่นถึงขั้นทํามีกาลัง กิเลสขัดขวางไม่ได้ยิ่งอยากสักพบถึงขั้นปัญญาที่อยากพบอยากพบกิเลสคือตัวขฆาค้นหาเพื่อจะพบนะในขณะเดียวกันก็เพื่อจะพบด้วยเพื่อจะฟาดปันกันให้แหละแต่กระใจายในขณะนั้นด้วยที่นี้ไม่มีอะไรขึ้นชุบกิเลสจะมาขัดมาขวางไม่มีมีแต่ความดุดดื่มในธรรมทั้งหลายความดุดดืนในธรรมกับความเพียรย่อมคมเคืนเป็นอห น, นึ่งอันเดียวกัน ผลจุดท้ายยาบททั้งสี่เว้นตลับเยาทั้งนั้นเป็นเรื่องความบุตดื่มในธรรมเป็นเรื่องการฝุดค้นหากิเลสเพื่อจะทําลายให้แหลกแตกกระจายจากใจไปโดยอ่างเดียวเท่านั้นนี่ขณะที่ทำมีกําลังเห็นได้ ช, าชาัดๆภายในใจของเราขณะที่กิเลสมีกาลังเนี่ยโอ้ยมันอ่อนเปียกไปหมดนะอะขึ้นชื่อว่าด้านธรรมะแล้วก่อนไปหมด เอยเธอตัวไม่ขึ้นโงหัวไม่ขึ้นนี่จะกิเลสเหยียบลงเหยียบลงแต่เราฟิตไม่ถอยก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้ดีให้มีกำลังข้นแข็งขึ้นเ้ืเ่อยๆกิเลสก็ย่อมจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่กล้าโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็ไม่พ้นปัญญาขั้นฉลาดแหลมของเอาจนได้ไม่มีเหลือ เกลี้ยงไปภายในยใจิตใจเอาที่นี่ความสุขเราจะหาที่ไหนไม่หาละที่นี่อยู่ไหนก็ไม่หาพออยู่กับใจดวงกิเลสหมดไปแล้วหนังความบกพร่องก็คือตัวกิเลสนั่นเองความที่เลดหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเท่านั้นความสมบูรณ์ของจิตความสมบูรณ์ของธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนอความสมบูรณ์ความของความสุขก็ขเช่นเดียวกัน เมื่อสมบูรณ์เต็มที่ภ า, ายในจิตใจแล้วจะเจาะจะแสวงหาอะไรอีกอันเป็นเรื่องความหมู่โอันเป็นความไม่แน่ใจมีความแน่แน่อยู่แล้วเต็มอัดเต็มฐานเต็มจิตเต็มใจก็หาอะไรนั่นแหละท่านที่ว่าท่านไม่หมายปชาช้าท่านไม่ไม่หาอืหาอะไรพอแล้วไม่หาไม่มีอะไรควรใจอีก นีธรรมนิพพานนางปรามังสุขขังหลักของปรามังสุขขังแท้ๆหลักของนิพพานแท้ๆเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้ามเอาใจดวงที่บริสุทธิ์นี้เราจะเอาอะไรเอาน้ําเป็นน้ําเอาลมเป็นลมเอาไฟเป็นไฟเอายิ่งเป็นดิ่เอาอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่นิพพานเอาจิตตัวจิเลตย่ํายีตีตัวจิเลตเคยย่ายีตีแหลบอย่างนี่แหละ วจิเดชให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วไม่ถามหานิพานถามหาทํำไมปรมังสุด ข, ขังเยี่ยมหรือไม่เยี่ยม่ะะดูที่นั่นเอนิพานเที่ยงจิตตายเมื่อไหร่ตั้งแต่จิตเดชครอบหัวมันอยู่มันยังไม่ตายก่อกาเนิดเกิดที่นั่นเข้าร่างนั้นออกร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำรรุ่นหมุดอนเพราะอํานาจของวิบากวิบากมาจากอวิชชาปัจจัยจิตเดชเป็นเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมท่านเร็ว กิเลสสวรรัสดสามมันกล่าวไว้นั้นมันก็อยู่ที่หัวใจเมื่อกิเลสสวัสดมันแตกกระจายไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากวนวัฏตวัฏตหมุนมันก็ไ ม, ม่มีผลต้องการตฏวขึ้นมาต้องผ่านความยากความลำบากความบึกบืนบุสาพยายามมาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ช่อยู่ๆก็จะไปคว้อาอมตดเต็มไม้เต็มมือทีเดียวดังนั้นก็ไม่เป็นของแปลรทำรพกติเจ้านะ่ะสู้เขาไปคว้เาเเลยทีเดียวโดยไม่ต้องหาธรรมไปบเปำเพ็ญธรรมมาเป็นเครื่องมือเลยกัสู้ของเขาไม่ได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะเตื้มเข้าถึงนิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระสักฟอกหรือเป็นทางดาเนินเรื่องมากขะมากคะปฏิปัฏฐานมีนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญ ภาการประพฤติปฏิบัติอย่าอ่อนข้องอมืออยู่นิ่เฉยลราไม่ได้บวชเข้ามาอ่อนข้องอมือหมอกราบต่อกิเลสเราเข้ามาต่อสู้กับกิเลสความโลภ ก, ก็เป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความหลงเป็นกิเลสความขี้เกียจที่คล้านความอ่อนแอเป็นกิเลสความไม่เอาไหนเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้นเป็นกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ที่หัวใจเต็มอยู่ที่อาการ ขงเราที่แสดงออกทุกอาการกิเลสเป็นผู้จับจองเป็นเจ้าของของอาการนั้นๆทุกอาการเรียนให้มันรู้อาการของกิเลสที่มันนํากิริยาออกมาสแสดงไม่ว่าจะแสดงภ า, ายใจิตไม่ว่าจะแสดงมาทางวาจามไม่ว่าจะแสดงมาทางการทำความประพฤติมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพ้เรียนดูแล้วมันต้องรู้อืม เรียนยังไม่ถึงมันมันไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นเราเราเราเข้ากับยิ่งเดชไปหมดเราก็เป็นยิ่งเดชไปเสียยิ่เดชเป็นเราไปอันเดียวกันแยกกันได้อย่างไรเนี่ยเมื่อมันแยกแล้วแล้วมันก็รู้ว่ายิ่งเดชกับเรามันต่างกันยิ่งเดชกับธรรมจริงต่างกันอ๋อไม่เห็นครับเจ๊บวบวนมในศาสนาแล้วมันเป็แบบความแพ้ถอยหลังกลับไปบ้านแล้วก็เหงุดูได้เลอ อะไรๆก็ได้เถิดสอนมาเต็มสติกําลังความสามารถแล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเถิสอนหมู่สอนคณะก็ส อ, อนด้วยความเมตตาสงสารถึงจิตถึงใจทุกแ ง, ง, ง่ทุกมุมจนไม่มีอะไรเหลือแล้วผู้ปฏิบัติตามทำในเรื่องในราวแล้วก็หมดทางจะทํำยังไงดีกเ็เถิดเทดดุก็เถิด ตามประเภทของกิเลสที่สแสดงออกมาให้เดเทอย่างนั้นอย่างนั้นอยากคิดทั้งอื่นความอยากให้ตัวดีให้ดูใจของตัวีิยามายาตอาการเคลื่อนไหวของตัวฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ดีที่ตรงนี้ไม่ได้ดีอยู่ดินฟ้าอากาศคนไม้ถูกเขาที่ไหนดีอยู่ที่ตัวคนเพราะชั่วอยู่ที่ใจชั่วอยู่ที่กายวาจาของตน ช่วอยอูที่ความประพฤติแก้ตรงนี้ให้มันดีพยายามแก้ทำไมจะไม่ดีของดีมีอยู่กับเราหยัดฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่ฝึกแล้วไม่สอนแล้วคนฝึกด้วยแล้วคนก็ไม่ดีด้วยนี่พรพุทธเจ้าก็เอกสามาองท์สงฆ์เขาเอกเอกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นทีเรลยอเป็นของแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ทำไมสอนให้แก้ ทำเป็นของเกิดได้มีได้ภายในกิจใจเราใจเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมในความเป็นภาชนะของธรรมได้มีใจดวงเดียวเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งในขณะเดียวกันก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมกับกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจงึงอยู่ภายในใจก็ได้ธรรมเกิดขึ้นภายในใจก็ได้เมื่อทําให้เกิดจะแก้กิเลสให้หมดก็หมดไปได้ เอาคงนี้อย่าไปคิดท่นเสียไปร่ำอย่างไรการดู่ด้วยกันหมู่มากก็ให้พึงเล็งดูใจท่านใจเราใจมีคุณค่าเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันให่ระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความกระทบกระเทือนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาส่งสมส่งเสริมกิเลสอย่าให้มีเพราะอันนี้เป็นของหยาบโลนมากทีเดียวไม่สมควรจะให้ มีอยู่ในตัวของสมณะตัวของพระของเนรเราในวัดเราหเห็นว่าเป็นของที่ยากลบนที่สุดเพราะเป็นความจริงเช่นนั้นมองกันให้มองในความในแง่แหงความเมตตาและให้อภัยกันเสมออย่าถือสีถือสาอย่าถือท่านถือเราว่านั่น บ, บัณฑิตว่าดีผู้ได้รับการตักเตือนสั่งสอนจากหมู่เพื่อนที่ ส, สอบรมหรือตักเตือนด้วยความเมตตาสงสารด้วย ความอิดหงษ์เห็นอกเห็นใจก็พึงรับด้วยความเต็มอกเต็มใจไปแก้ไขสิ่งที่ปิดของตนนั่นเทียวถูกทั้งสองทางผู้สอนก็สอนโดยธรรมผู้รับขอรับโดยธรรมแต่ปฏิบัติเป็นสี่มงคลแก่ตนนี่การอยู่ด้วยการเป็นสําคัญมากมาตรละว่างข้อวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องให้ถือว่าเป็นงานจําเป็นของเราแต่และองค์ละองค์เพราะเหล่านี้เป็นกิจจะมัด เพื่อความสมบูรณ์ปูนผลของเราเองด้วยกันทั้งหลา น, นไม่ใช่ทําเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดให้ทําทุกคนเกิดขึ้นจักกับทุกคนนั่นแหละเป็นสังฆโศภนารวมกลุ่มรวมคณะกันเป็นพระเป็นสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันก็สวยงามน้าดูหน้าเคารพเติมใสภาคภูมิมีความนุ่มเย็นต่อกันเหมือนอวัยวะเดียวกัน ไม่มีคําว่าทะเลาะบอแวงลับแค่ราคาซื่งกันกันเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของจิเหลดอย่าให้เข้ามาในวงของภาคผู้ปฏิบัติอย่าให้เข้ามาแทรกได้เลยให้ปราบทันทีอย่ามองดูตั้งแต่ภายนอกมองดูคนอื่นมากยิ่งกว่ามองดูตัวในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นให้มองดูตัวด้วยย้อนหน้าย้อนหลังเทียบให้ได้สัดได้ส่วนน่าเฉลีฉเยเปล่าแพร ความเหมาะสมให้แก่ขนานกันได้เพื่อความผาสุกเย็นใจด้วยกันเนื้อหลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมในใจย่อมไม่มีการทะเลาะ บ, บอกแร้งซึ่งขนานกาันไม่มีรละแค่ราคาที่เหมือนกันนอกจากมีความจงรักภักดีมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งขนานกาันเท่านั้นอันเป็นเรื่องของธรรมสมกับผู้มากระเพิดปฏิบัติธรรมความเย็น อ, อกเย็นใจจะมีได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยในระหว่างที่อยู่ร่วมกัน ทุกนากันนำไปปฏิบัติท่านเรียกว่าโสงสงฆโสปันนาเป็นพระสงฆ์ที่หนาเป็นสงาราศีแก่วงคณะด้วยเป็นสงาราศีแก่ัประชาชนด้านโยมที่ไม่เห็นไม่ดูได้ฟังพูดกันมีเหตุมีผลอย่าพูดพันแพร่แบบหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นเป็นนิสัยส้นานบาต จะพูดอะไรออกมาให้คิดเรียบร้อยจะทําอะไรให้คิดความคิดได้จากปัญญาคิดอ่านใจกลางมีสมมะกันนังเส้ยอยู่ให้ไขขคอยพิจิกินาก่อนจะทําก่อนจะพูดคิดอะไรไปในทางไหนผิดรีบแก้ไขทันทียาเสียดายความคิดเช่นนั้นอันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นพิษภายต่อจิตใจและผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ของดีนักธรรมะต้องแก้เสมอ ดูตัวนี้มากกว่าดูคนอื่นนักธรรมะดูคนอื่นก็ดูด้วยเอาโดยทั้งเหตุทังผลเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมดูตัวเองเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอเพื่อคลอนเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วปาปามแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเดิลำดบบนั่นธรรมะต้องย้อนเสมอโอปัญญิโกโอปัญญิกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาได้เห็นได้ยินได้ฟังข้างนอก เทียบเข้ามาภายในเพื่อให้เป็นเหกเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนในตังใจปฏิบัติอย่างไรก็อย่าขี้เกียจเรื่องภาวนาเอาให้สงบให้ได้นะนั่นแหละสมบัติของพระเราคือภาวนาผลคือความสงบเย็นใจภายในจิตอย่างน้อยสงบเยน็นมากกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาดฉลาดทางด้านธรรมะ ปัญญาทางด้านธรรมะ ก, กับปัญญาทางโลกนั้นต่างกันจิตสงบจิต ป, ปัญญาขึ้นมาเกิดความเฉียวฉลาดภายในใจจิตสงบจ้องทำใจให้โล่งในการพิจารณาถ้าไม่สงบหาความโล่งไม่ได้ทั้งนั้นท่านจึงว่าสมาธิปริภายาปัญญามหาปราหูตีมหานิสังซาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุน แ, แล้ว ย่อมได้ผลเป็นที่พอใจแปลตามความจริงไปเลยกานท่านยิงสอนให้ทำจิตให้สงบจิตสงบจิตก็ไม่หิวโหวยพิจารณาอะไรก็คล่องตัวผิดกับจิตที่ฟุ้งซ่านลำคลาญเป็นใไหนปัญญาทางด้านธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าทางโลกเป็นไห น, ไหนอะไรมัน เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นญญาขึ้นมานั่นหละที่นี่วะภาวนามะยะปัญญาเกิดปัญญาด้วยการภาวนาจินตามะยะปัญญาพิจารณาคิดอ่านตามเรื่องคนนั้นคนนี้หรือครูอาจารย์เป็นปัญญาประเภทหนึ่งปัญญาทางด้านภาวนานี่มันเป็นทั้งมันเดิมหนักจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาตโนมัตินั่นเป็นปัญญาล้วนๆเป็นภาวนาเพื่อปัญญาล้วนๆนั่นแหละผล การภาว น, อนาออกเป็นปัญญาเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจนภายในจิตใจของตนไหลเหมือนน้ำซับน้ําึมปัญญาปริภาลตังกิตตังสัมมาเดวะอาสเรหิมุติอืิจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องชักพอกแกไขถอดถอนแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบะคําว่าโดยชอบคือไม่ผิดปัญญาทางด้านธรรมะเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งนั้น ตรงมข้ามปัญญาทางโลกทางสมกิเลสปัญญาทางด้านธรรมะจากผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำลายกิเลสผิดกันอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าโลกียปัญญาโล ก, โลกุตระปัญญาต่างกันอเอาต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาปฏิบัติ